ยังสมาธิเดินจงกลมทําแค่นั้นแล้วไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เหงาไม่เซง็งออะไรเงี้ยที น, นี้จริงจรสิ่งที่ผมตอบไปก็คือว่าความเบื่อเนี่เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติจะต้องเรียนรู้ถ้ามันไม่มีผมไม่ต้องปฏิบัติทำแนละ้วความเบื่อนี่เป็นเหมือนยาชูกํำลังเป็นเหมือนคู่ต่อสู้เป็นเหมือนสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่า เรายังต้องปฏิบัติธรรมเราเบื่อเราก็ทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเรานั่งเราเดินแล้วเราเบื่ออย่างเดียวเราทํางานเราก็เบื่อเหมือนกันถูกไหมเรามีชีวิตอยู่ในโลกที่เหมือนทุกคนทําอยู่เราก็เบื่อเหมือนกันใช่ไหมทุกคนก็เบื่อแต่ทำํำไมทุกคนคิดว่ามันไม่เบื่อหรอไปถามใครๆ ใ, ในโลกนี้ทุกคนถามว่าเบื่อไหมชีวิตทุกวันนี้ยทุกคนก็ตอบเบื่อเหมือนกัน แต่ทุกคนก็หาทางจะแก้เบื่อใช่ไหมไปทำนี่ไปทำนู่นไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไปหาอะไรกินของมันเลยขายได้กังพราะว่ทุกคนเบื่อแต่เพียงแต่ว่าเรารู้ทางแล้วว่าวิธีที่จะจัดการความเบื่อที่แท้จริงคือการปฏิบัติธรรมเราจะรักษาโรคนี้ให้หายได้อย่างถาวรโดยที่เราไม่ต้องดิ้นหลนจะหนีมันหาอะไรมาทดแทน ความเบื่อเพื่อจะได้ไม่เจอไอตัวความเบื่อนี้เราไม่ได้ทำเป็นคนในโลกทําแค่นั้นเองแต่จริงๆเราทําสิ่งเดียวกับที่เขาทําคือเรากําลังจัดการความเบื่อเหมือนกันแต่วิธีของเรามันกาจัดได้อย่างถาวรแต่ของพวกเขามันแค่ชั่วคราวเรากําลังทําสิ่งเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเรามีทางของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําทางส่วนเขามีทา ง, งความคิดเป็นผู้นําทางไม่เหมือนกัน เราไม่เหมือนกันแค่วิธีการจัดการความเบื่อแค่นั้นเองเหมือนเขาถามผมว่าเดินจงกรมไม่เบื่อผมว่าผมเคยคิดเหมือนกันว่าให้ผมไปเดินพลากอน ก, กับเดินจงกรมอยู่ที่บ้านผมรู้สึกเลยว่าสองอย่างก็น่าเบื่อทั้งคู่แต่ว่าผมคิดว่าถ้าผมจะทําเรื่องหน้าเบื่อที่เหมือนกันผมก็เลือกทำสิ่งหน้าเบื่อที่เป็นทางของพระพุทธเจ้าดีกว่า ผมเลือกทำสิ่งน่าเบื่อที่เป็นทางของศาสดาเอกของโลกไม่ใช่ทางของความคิดไม่ใช่ทางของการตามกิเลสตามตันหาผมว่ามีประโยชน์กว่าไหในๆจะทำสิ่งน่าเบื่อทั้งคู่แล้วก็เลือกสิ่งที่มันดีหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะออกมาเราไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะเบื่อมันอยู่คู่กับคนทุกคนมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาดูว่าเขาทำงานแล้วก็ไม่เบื่อ เขาไปทํางานเพราะเขาเบื่อนั่นแหละถูกไหมนักเรียนเนี่ยเวลาปิดเทอมเนี่ยปิดเทอมมันอยากเปิดเทอมทําไมมันเบื่ออยู่บ้านมันอยากเจอเพื่อนพอมันเปิดเทอมปุ๊บมันอยากหยุดวันเสาร์อาทิตย์ทําไมมันมันเบื่อเรียนมันอยากไปเที่ยวมันก็เบื่อกันตั้งแต่เด็กจนโตนั่นแหละแล้วมันก็หนีความเบื่อตั้งแต่เด็กจนโตแต่มันไม่รู้ว่าตัวเองเบื่ออยู่แต่ทีนี้ พราะเราจะออกมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้พบความสุขที่แท้จริงเ <g ül> พื่อจะได้พ้นทุกข์อย่างถาว <g ül> พรพ้นทุกข์อย่างถาวรเนี่ย <g ül> ก็พ้นความเบื่อนั่นแหละแล้วเรากําลังจะมาทําสิ่งนี้แล้วจะมีคนมาบอกเราว่าออกไปแล้วเดี๋ยวมันจะเบื่อจะกลัวทํำไมทั้งนั้นก็ในเมื่อปัจจุบันเราก็เบื่ออยู่แล้วชีวิตปัจจุบันของเรามันน่าเบื่อจะตายไม่งั้นเราไม่ต้องเปลี่ยนไปทํานี่ทํานู่นทํานั่นตลอดเวลาหรอกมันอยู่กับเราอยู่แล้ว เราจะกลัวมันทำไมเราออกมาให้แหละเพื่อจะเรียนรู้มันจนในที่สุดเราพ้นมันไปความเบื่อนี่เป็นยาชูกำลังความเบื่อนี่เป็นสับเซตของความทุกนั่นแหละความทุกเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าที่เราปฏิบัติอยู่นี่มันยังไม่พอที่เรากำลังภาคเทียนที่จะเดินตามทางแห่งอริยมรรคเดินตามทางของพระพุทธเจ้าเนี่ย เรายัางเดินไม่พอเรายัางต้องทําอีกเรายัางต้องาพากเทียนพยายามให้มันมากกว่านี้ให้มันต่อเนื่องให้มันเป็นนิสัยให้มันถึงจุดที่เราจะพ้นความเบื่อได้อย่างแท้จริงหรือพ้นความทุกข์ได้อย่างแท้จริงทํามันยังเหลือแปลว่าเราจะต้องเดินอีกมันยังไม่ถึงจุดหมายยังไม่ถึงจุดเส้นชัยมันเป็นตัวเตือนเราต่างหากมันไม่ใช่ตัวที่จะทําให้เรารู้สึกว่า แย่ yeah, รู้สึกว่าออกมาทำไมเจอแต่อย่างนี้ไม่ใช่แบบนั้นถ้าคิดอย่างนั้นไม่ต้องออกมาแต่สิ่งเหล่านี้สำหรับนักปฏิบัติธรรมสำหรับนักเดินทางที่จะไปถึงจุดหมายอันนี้คือยาชูกำลังอันนี้คือหลักกิโลอันนี้คือสิ่งที่จะบอกเราที่จะเตือนเราว่าเราอย่างประมาทไม่ได้สิ่งที่เรากาลังทาอยู่ทางที่เรากาลังเดินอยู่มันยังไปไม่ถึงเรายังต้องเดินต่อ อันนี้เป็นสิ่งที่จะบอกเราจะเตือนเราให้เราไม่หยุดให้เราไม่เลิกให้เราพร้อมที่จะเดินต่อไปโดยที่เราไม่ยอมใช้เวลาไปในความประมาทใช้เวลาไปในทางไร้สาระเพราะชีวิตเรามันไม่แน่มันจะเตือนเราหลายอย่างมากความทุกข์เนี่ยพระอริยะทั้งหลายที่ยังไม่ถึงพระอรหันเนี่ยเขายังต้องคอยหมั่นตรวจตาตัวเองว่า เขายังเหลืออะไรยังเหลือกิเลสส่วนไหนยังเหลืออะไรที่ยังเหลืออยู่อย่เงี้ยจบหรือยังเขายังเขาต้องคอยตรวจตาอยู่ตลอดเวลาทำยังเหลืออยู่ไม่ใช่เขาเสียใจเขาดีใจต่างหากว่า อ, อ๋อเจอละแปลว่ายังเหลือพี่อยู่ยังไม่จบยังมีงานต้องทาอีกแบบนี้เพราะนั้นผมว่าความเบื่อความทุกข์ อันนี้เป็นยาชูกำลังเป็นตัวเตือนเราให้เราไม่ประมาทให้เราไม่ชะล่าใจให้เราไม่เลินเลอ่อให้เราไม่ได้ใจว่าพอแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วพุทธโอวาทก่อนปรินิพานจงยังชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทเป็นเป็นสิ่งที่ครอบคลุมตั้งแต่ปุตุชนยันอริยะชนเลยถ้ายังไม่ถึงพรราอรหันประมาทไม่ได้ทุกระดับ จะต้องคอยพักเพียงต่อไปประมาทไม่ได้ถ้าประมาทก็ติดอยู่ถ้าประมาท ก, ก็ช้าเลื่อนเลนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานนี่พูดประโยคนี้เป็นประโยคที่ครอบคลุมจริงๆครอบคลุมไม่กับคนทุกหมู่ทุกเหล่าทุกระดับเลยแล้วถ้าเราเชื่อตามพระพุทธเจ้าบอกชีวิตเราก็มีแต่เจริญขึ้น คนเราไม่ประมาทเราก็ไม่ไปทําอะไรไร้สาระคนเราไม่ไม่ประมาทเราก็ไม่ไปที่อกโกจรใช่ไหมคนเราไม่ประมาทเราก็ไม่ไปสถานที่ที่มันเปรี่ยวอันตรายหรือว่าล่อแหลมเนี่ยมันใช้ได้กับทุกคนทุกกลุ่มเลยอืมมันคําสอนนี้เป็นคําสอนที่ดีมากครอบคลุมหมดแม้กระทั่งพระอริยะที่ยังไม่ถึงพระอรหันต์ก็ไม่ประมาทเหมือนกัน เ, เพราะยังมีทางต้องเดินยังมีทางที่จะต้องเดินต่อ เดินไปเราต้องไปทำงานเราจะต้องเลี้ยงชีพอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยมีความจำเป็นที่เราจะต้องฝึกที่จะรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันให้ได้คือหมายความว่าขับรถเริ่มออกจากห้องออกจากบ้านเพื่อจะไปทำงานเนี่ยต้องคอยระลึกอยู่กลับมาเช็คอารมณ์เป็นยังไงเดินอยู่เนี่ยเราเดินจงกลมแล้วก็เดินธรรมชาติถูก เราเดินไปทํางานเราก็เดินธรรมชาติเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเดินจงกรมนั่นแหละเราก็ทําให้มันเหมือนเป็นการเดินจงกรมไปเลยแล้วก็เดินธรรมชาติแล้วเราก็รู้สึกถึงอาการการเคลื่อนไหวของร่างกายจิตหลงไปคิดอันนี้รู้ทันไปคิดแล้วแล้วก็กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวเดินไปเดินไปอยู่ความรู้สึกตัวไม่ได้คิดอะไรกลับมาเช็คอารมณ์หน่อยเป็นยังไงปกติไหมเราไปถึงรถเราขับรถสตาร์ทรถเรา นั่งเนี่ยเรานั่งบนรถเราไได้เป็นหุ่นยนต์ซะหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวเราก็มองกระจกซ้ายเดี๋ยวเราก็มองกระจกขวาแล้วก็มองกระจกหลังใช่ไหมมือเราพวงมาลัยหมุนไปหมุนมาขยับเกียร์เหยียบเบรกหลังเราเอี้ยวนิดตัวเราเอี้ยวหน่อยตาเราก็พิบเรารู้ได้หมดทุกอย่างค่อยคอยรู้ให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่าไปทิ้งเวลาพวกนี้เอาเวลาพวกเนี้ยมารู้สึกตัวให้มันบ่อยๆให้มันเนืองเนืองแล้วเดี๋ยว มันจะรู้ได้ถี่ขึ้นรู้ได้บ่อยขึ้นจนมันอยู่กับเนื้อกับตัวแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันเราไปถึงที่ทำงานใช่เรานั่งโตะคอมเราเลื่อนเมาส์เรานั่งแล้วก็เดี๋ยวเราเลื่อนเก้าอี้ใช่เราหันซ้ายหันขวาใช่หมหยิบเอกสารอะไรเราก็รู้สึกได้หมดเราไปกินข้าวเราก็เดินเหมือนกันใช่เราก็เดินมาเดินจงกลมเราก็รู้สึกได้จนพัฒนาไปถึงขนาด ว, ว่าเราคุยกับคนอื่นเนี่ย เวลาเราคุยเนี่ยเราไม่ได้คุยเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันถูกไหมแล้วก็ออกท่าออกทางใช่ไหมออกรถออกชาติมือเราก็ขยับขยืขย่นเราก็รู้สึกได้ตัวเราขยับขยืน่นเอี้ยวไปหน่อยเอี้ยวไปนิดเราก็รู้สึกได้เพราะที่เวลาการคุยกับคนอื่นเนี่ยแม้ว่าเราจะพูดไปเนี่ยแต่ก็เราก็กลับมารู้สึกตัวด้วยมันจะเป็นการรู้สึกตัวที่หลวงพ่อเทียนจะพูดว่าเวลาเรามีปฏิสัมพันธ์กับใครเนี่ยอย่าไปหมด ให้มันดูกับตัวเองสักหกไปสักสี่เจอะไรแบบเนี้เราต้องมี e อ e contact กับคนที่เราคุยด้วยเองครื่อว่าไประหว่าง ท, าที่เราพูดเรากําลังทํามือทําไม้เรากําลั ง, อ, ลงอ้าปากงาบังบงบังบงเรากําลังพูดอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็กลับมารู้สึกได้ว่ามือกําลังขยี้เลื่อนตัวกําลังเอี้ยวตากําลังกระพริบใช่ไหมเวลาเราพูดกับคนอื่นเนี่ยเราคิดนิดเดียวเองพี่ไปสังเกตเราคิดแค่นิดเดียว แต่เราต้องใช้เวลาพูดประมาณ2นาที1นาที3นาทีระหว่างนั้นเราก็รู้สึกตัวได้เพราะในยุคสวันเราก็จะสะสมความรู้สึกตัวเล็กๆน้อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเราไปห้องน้ําเราก็เดินไปแล้วก็รู้สึกตัวได้ถูกไหมโดยเฉพาะถ้าเราไปห้องน้ําหญิงอันนี้สมมตุติออฟฟิศเราคนน้อยเราไปคนเดียวพี่จะรู้สึกถึงความเงียบสงัดในห้องน้ําจากเราวุ่นวายอยู่ข้างนอกเมื่อกี้นี้เราเดินเข้าห้องน้ําค่อยๆเดินไปแค่ เริ่มคิดจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็ผ่อนคลายแล้วแล้วก็เดินไปเดินไปเสร็จปุ๊บเข้าห้องน้ํำเงียบๆนั่งอันนี้ก็ปกติเช็คอารมณ์ปกตินี่จะปกติทันทีเลยเพราะมันเงียบสบายเขาเรียกห้องอะไรเขาเรียกห้องสุขาสุขาแปลว่าอะไรสุขความสุขของเราคืออะความเป็นปกติเราก็ปกติแล้วเรามีกําลังขึ้นมาแล้วจิตมีกําลังขึ้นมาแล้วที่จะไปทํางานต่อได้เราจัดการธุรกตัวเองเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ เราก็ยิ่งผ่อนคลายเลยใช่ไหมสบายกว่าเดิมทุกทางร่างกายก็น้อยลงแล้วก็สบายขึ้นทําเป็นปกติก็มากขึ้นนีกแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็รู้สึกตัวได้นั่งชงกาแฟเติมน้ําเรารู้สึกได้ทุกอย่างเลยเราทําทุกอิริยาบถเนี่ยเราจะรู้สึกตัวใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่หลงไปในความคิดหรือถึงแม้ว่าเราจะไปคิดเราก็รู้ทันว่า ไ, ไปคิดละเราก็กลับมารู้สึกตัว แล้วพอเรารู้สึกตัวอยู่อย่างต่อเนื่องหรือบ่อยๆเราก็กลับมาเช็คอารมณ์ตัวเองว่าเป็นยังไงเหมือนเราไม่แน่ใจว่าเราปกติอยู่ไหมอะไรเงี้ยเราก็กลับมาเช็คด้วยหน่อยปกติหรือว่าหลงวะอะไรเงี้ยอะปกติอยู่ไม่มีอะไรที่เมื่อกี้สงสัยว่าหลงไปไหมหรือว่ามีขุนเคืองหรือมีอารมณ์อะไรที่มันเป็นฟ้าเบลเบลหรื อ, เ ป, อ, เ, ปอเปล่าพอเรากลับมาเช็คอปกติอยู่ไม่มีอะไรแค่นั้น แต่เดี๋ยวจิตมันก็รู้จักความเป็นปกติบ่อยเข้าบ่อยเข้าจากในชีวิตประจำวันนี่แหละให้เดี๋ยวเราไปกลับไปเดินจงกรมในรูปแบบของเรานี่ก็สะสมอีกสะสมอีกเรานอนไปตื่นมาแปลงฟันที่ผมบอกว่าเวลาแปลงฟันตอนเช้าปกติเราจะล่องลอยไปคิดนู่นคิดนี่คิดเรื่องงานคิดเรื่องนู้นนี้เราก็เอ้ยเตือนตัวเองอยู่กับรู้อยู่กับรู้ะรก็รู้สึกตัวนี่แหละ ก็รู้การแปลงฝันไปรู้อาการเคลื่อนอาการเคลื่อนของร่างกายไปเนี่ยเราก็รู้ไปเรื่อยๆเตือนตัวเองทุกเช้าว่าเราต้องอยู่กับอาการรู้อยู่กับอาการเคลื่อนไหวอยู่กับปรามัดมันเตือนตัวเองเนี่ยปุ๊บมันจะเข้าโหมดจิตมันถูกสอนแล้วว่าต้องอยู่กับอาการการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่กับความรู้สึกตัวเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันลืมไปเนี้ยเตือนตัวเองใหม่อีกรอบหนึ่ง มันจะเริ่มเป็นอัตโนมัติมันจะเริ่มเป็นนิสยัยมันจะเริ่มเปลี่ยนอุปนิสัยจากการหลงไปจิตมันก็จะมารู้สึกตัวเองมันก็จะรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยเื่แล้วก็เราก็จะเริ่มเข้าที่เราจะเริ่มมีกําลังแต่ว่าบางทีงานยุ่งโอเคทําไม่ได้อันนั้นก็ไม่เป็นไรเราต้องคิดงานบางทีอารมณ์เข้ามาครอบงำเพราะ ง, งานมันยุ่งงานมันเยอะเรา เซ็งเราเบื่อเราอะไรเงี้ยอันที่ก็ตอนนั้นสู้ไม่ได้ก็โอเคต้องรับก่อนรับทุกข์เพราะว่าจิตยังฝึกไม่ดีพอที่ผมบอกพอเรารู้ว่าทุกข์ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเรายังทําไม่พอถ้ามีเวลาที่ปกติเราต้องรีบที่จะศึกษาที่จะสัมผัสมันอยู่กับมันไม่ใช่เอาเวลาปกติเอาเวลาแข็งแรงไปหลงโลกอีกความทุกข์ก็เลยจะคอยเตือนเราว่าอ่าถ้าปกติแล้วอยากไปหลงโลกเอามาฝึกปฏิบัติธรรม มันก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเลือกทางที่เราจะเดินถ้าเราทำให้มันเต็มที่เราทำเต็มที่ตามที่เราทำได้มันจะกี่เดือนกี่ปีก็ได้แต่เราทำเต็มที่นีพอแล้วแค่นั้นเรากำลังได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดเรากำลังได้ให้สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดกับชีวิตที่เราได้เกิดมาแล้ว